ข็โอกาสอาจารย์ุกิขอโอกาสคณะสงฆ์ทุกทุกรูปเจรินพร อ, อย่างใหญ่ดิดำทุกทุกท่าน <c oughs> เราทําวะเดันจบเร <c oughs> ามาสวดเป็นบทที่ ชาวบ้านหมู่บ้านการลัชนสงสัยใจเชื่ออะไรกันแน่คนนั้นก็ว่าอย่างนั้นคนนี้ก็ว่าอย่างนี้ mm hmm. พระองค์ก็ทรงตอบที่เราสวดกันไปมันจะกรูความจริงที่ปรากฏ ธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่เป็นอกุศลวินยูชนผู้รู้ดูออกก็ชี้นำแนะนำเตือนติติดเตือนผู้ที่หวังความเจริญความก้าวหน้าก็น้อมกัามาประพฤติตาม เห็นตรงเกี่ยวข้องถูกต้องชาบ้านหมู่บ้านกำลังมชนก็หายสงสัยสาธุเห็นด้วยเห็นด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้ได้จริงๆ สิ่งที่กำลังเห็นกำลังเป็นกำลังเมย์กายใจรูปนามกันน่ะมันเป็นก้อนของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติทําหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราก็ได้ใช้สิ่งที่มีอยู่เนี้ยก่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน มีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจก็ใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้ทุกพระตาพระหูพระจมูกพระลิ้นพระกายพระใจเอาประโยชน์อยู่ในกรอบของความจริงสธรรมต้งเหมือนกันทุกคนต่างคนต่างดูแลตัวเอง มันเป็นสัตว์สังคมก็เกี่ยวข้องกันบ้างตามกฎของธรรมาชาติสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันมีกฎมีกฎมีระเบียบมีผู้ตามมีผู้นำเกิดการวัดกันโดยคุณธรรมต่างๆโดยพะละกกำลังต่างๆ ในความนิยมของสังคมต่างๆโดยกลไกลกฎกาเทคนิคจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดมันก็มีให้เราได้สัมผัสสัมพันธ์จนดูเป็นเรื่องของธรรมชาติสมมตินี่มันทำให้เกิดการบัญญัติขึ้นมา มันก็ทำให้เกิดการบัญญัติขึ้นมาเป็นความดีเป็นความชั่วเป็นความถูกเป็นความผิดเป็นความสุขเป็นความทุกข์จนเกิดความลึกซึ้งมากมายในสภาวะธรรมในสภาพธรรมจนรีบสรุปก็ถือว่า อาจจะเป็นการผิดพลาดได้ธรรมะพอมีความลึกซึ้งในหลายหลายแง่ในหลายหลายมุมการที่ดูจนเห็นรายละเอียดก็ะจะต้องตั้งใจใส่ใจผู้ฝึกใหม่ไม่จาเป็นต้องไปหารายละเอียด เห็นแค่ดุนๆนก้อนๆอนสัมผัสกระทบตื้นตื้นแค่นี้ก็มากเกินไปแล้วรู้การเคลื่อน ก, นการไหวตัวกระทบหยาบยาอันนี้เป็นการรู้ที่มากเกินไปแล้วการกำหนดใหม่ๆ ถือว่าดีเจตนาถือว่าดีเพราะว่าเจตนาคือกรรมมีผลนำทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่ ว, วเกิดจากตัวเจตนาเจตนาทำไปอย่างมีปัญญามันก็ถูกทิศถูกทางมีการใกล้ควรก็ถูกทิศถูกทาง เป็นสมาธิรู้ตรงๆความคิดนะมันก็เป็นก้อนของธรรมะเป็นก้อนของธรรมะแต่ว่ามันยังไม่ถึงที่สุดการหยิบความคิดมาใช้เกิดการปล่อยวางอันนี้ได้ประโยชน์สูงสุดเจตนาคิด คิดแล้วก็พูดคิดแล้วก็ทำประโยชน์สูงสุดแต่ตัวที่ไม่ได้เจตนาคิดตัวนีนะ้แต่ถ้ามองแต่แง่ดีเนะี่ยมันก็จะได้ประโยชน์เหมือนกันเนะพราะมีหลงจงมีรูนะ้พอมีความคิดที่เกิดขึ้นมาเองนะทำให้เราทุกใจทุกกาย มันก็จะมีตัวรู้เท่ารู้ทันความคิดยิ่งหลงยิ่งรู้รู้เท่าไหร่สติก็มากเท่านั้นเมื่อเรามามองจริงจริงแล้วเมื่อเราไม่มีสมมุติบัญญัติใจลงไปในอาการต่างๆมันก็จะไม่มีคิดดีคิดไม่ดีมันก็คือตัวคิดเจตนาคิดก็คือตัวคิดตัวหลงคิดก็คือ ตัวคิดตัวคิดทั้งคู่ตัวคิดไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีก็เป็นอาการตามกฎของธรรมชาติตัวคิดไม่ใช่จิตแต่เรารู้ว่าเออสติปะฐานความเป็นปกติกันอยู่ถูกที่ถูกทางตัวนี้ทำให้ปลอดภัยสูงสุด การหยิบความคิดเอามาใช้อันนี้ก่อประโยชน์สูงสุดเหมือนกันไม่ท้องไม่ได้เจตนาคิดก็ตามบางทีความคิดดีๆผุดเกิดขึ้นมาเนี่ไม่ได้เจตนานะเราไม่ได้เจตนาคิดนะมันผุดเกิดขึ้นมาแวบๆบแบบแล้วก็คิดตรงคิดถูกด้วยแต่ว่าเราเป็นสาระนะในขณะปฏิบัตินะี่มันมีสาระแค่เป็นเพียงแค่ เครื่องที่ใช้ระลึกรู้นะเป้าหมายของการระลึกรู้นะเป็นตำแหน่งของการระลึกรู้มันเป็นปรากฏการณ์อาการตามธรรมชาติตอนนั้นนะมันไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดนะจึงไม่มีการห้ามความคิดนะแต่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวการออกมารู้สึกตัวนี่สำคัญเบื้องต้น กายเคลื่อนไหวใจรู้มันจะออกมาจากตัวคิดโดยอัตโนมัติตามกฎของกรรมฐานกฎของธรรมชาติคิดเท่าไหร่ก็กลายเป็นเรารูปมมติฐานของตัวคิดมาเท่านั้นมันเกิดการวางวางถูกที่ถูกทางวางคิดวางใจ เหมือนเราอยู่ภายใต้สาลาเนี่ยจะเป็นฝนดีรองเอาไว้ดื่มหรือเป็นฝนกรดที่ตกลงมามันมีพิษมีภัยต่อผิวหนังมันก็คือเปียกทั้งคู่น้ำฝนดีๆก็เปียกฝนกรดก็เปียก เราก็มีบ้านอยู่มีศาลาอยู่เหมือนจิตใจที่มีปกติเป็นที่อยู่ไอ้ตรงจิตปกติมันจะมีอาการยังไงอย่างเงี้ยนักวิบัติ่อมสัมผัสได้คุณสมบัติร้วมปฏิทิภ่าของเขามีการปล่อยวางมีสติเป็นเกละเวลาลมมากระทบไม่สั่นสะเทือน หรือว่าสะเทือนบ้างน้อยมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาธรรมดาที่ในวาดก็สัมผัสกันได้อาการข้างนอกที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ละขณะมันก็จะมีเหตุปัจจัยของมันห้ามไม่ได้ปรากฏการณ์ของโลกที่มันมีอยู่ ไมว่าจะแสงมากระทบทางตาในศาสตร์พูดไว้ชัดการเห็นหรือว่าตาของเราที่มองเห็นเนี่ยพูดไว้ชัดมันเกิดจากวัตถุที่มันมีแสงมากระทบกดการสะท้อนเข้าตานั่นแหละคือการเห็น แสงมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติวัตถุก็เป็นเรื่องธรรมชาติจะท้อนมรดิตามนุษย์จัดสาราสิ่งมีดวงตา mm hmm. ก็มองเห็นจะเห็นเป็นแสงสีจะเห็นเป็นขาวดำํำ mm hmm. ก็คือแสงที่ไปกระทบวัตถุแล้วก็สามารถมองเห็นความสามารถในการมองเห็นเมื่อเห็นรายละเอียดต่างกันแต่มนติคือตาในของเราก็เหมือนกัน จะเป็นสติเดียนพาสู่ความพ้นทุกข์มันเหนือเหตุนือผลเหนือถูกเหนือผิดเหนือดีเหนือชั่วสิ่งเดียวกันการสมมุติปืนหนึ่งอันเป็นอาวุธโจรมีปืนผิดกฎหมายตำรวจถูกสมมติมีปืนถูกกฎหมาย ตำก็คือตำนั่นแหละไปปะไปเจอไปตำกันในขณะที่สำรวจเดิอนออกสำรวจมีอะไรบ้างที่อยู่ในขข่ของความไม่ปกติทำให้เกิดการเดือดร้อนก็ตำรวจก็คือสำรวจกับเจอกันนั่นะตำรวจสำรวจสมมติกันขึ้นมาเป็นภาษา จรก็คือไปจากที่นี้ไปซะจนและโจลุแปลว่าไปภาษาบาลีมันจะเป็นเรื่องที่สมมติบัญญัติกันขึ้นมามีปืนยิงตายก็บาปจรมีปืนยิงตายก็บาปทั้งคู่มันมีนกลไกของการสมมติมากมาย มันกิเลสนี่มันเป็นเรื่องอาการของธรรมชาติแต่ถูกสมมติให้เป็นกิเลสเป็นภาษาที่สื่อสอนธรรมะกันตัวโกรธตัวโรคตัวหลงสมมติกันเพราะฉะนั้นคำว่าพระนี่มันเป็นพระเดชและพระคุณอย่างที่เมื่อวานมีคนพูดเป็นภาษาของการอบรมของเขาว่ามันมีคำว่า เมตตาอามหิตเ <Yeah. S 2> มตตาอามหิตก็คือพระเดชพ <Yeah. S 2> ลังงานนิวเคลียร์ปรมาณูเพื่อสันติภาพมันมีอยู่ <Yeah. S 2> เพื่อการทําลายล้างก็มีอยู่เพราะฉะนั <Yeah. S 2> ้นทำมาเป็นของที่ละเอียดลึกซึ้ง <Yeah. S 2> ลึกซึ้งมันลึกมันซึ้ง <Yeah. S 2> แต่ถ้าจะมองอีกแง่หนึงก็คือมันอยู่ตื้นตื้น <Yeah. S 2> ให้ความลึกก็คือความตื้น ตั้งแต่ตัวเราตื้นเห็นทุกวันเห็นตัวเองทุกวันจระทัางไปเป็นวิชาการต่างๆเกี่ยวข้องตามหน้าที่ต่างๆเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวแต่มองไม่เห็นแล้วกลายเป็นความลึกเหมือนกับลึกลับธรรมะเหมือนกับลึกลับเลยต้องมีพิธีรีตองต่าง ค่อยๆปรับคนให้ออกมาจากการเบียดเบียนละชั่วทำดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีว่าธรรมประเพณีจารีตต่างๆเป็นวิชาการต่างๆแต่ถ้าเราศึกษาในประไตวปิฎกเราก็จะเห็นว่าหรือว่าจากความจริงนะเราจะเห็นว่า มันมีบทบางบทที่น่าสนใจเช่นวิชาโจนมันมีวิชาโจนสมัยรุการมีโจนขาแดงโจนขาแดงนี่เป็นก๊กที่น่ากลัวที่คนไทยชอบเรียกว่าไอ้โจนห้าร้อยโจนห้าร้อยเนี่ยหมายถึงจำนวนของมั น, นมากจนนับไม่ได้ แต่วในประสูตรเนี่ยมันมีจริงๆโจรห้าร้อย จ, จำพวกจำนวนคนห้าร้อยคนเนี่ยมันมีแล้วโจรต้องมีสัจจะของโจรสัจจะของโจรเนี่ยก็คือหนึ่งไปป้นที่ไหนต้องเหลือไว้ให้เจ้าของก็ใช้บ้างสองจะไปป้นที่ไหนต้องบอกชื่อ ต้องบอกชื่อเสืออะไรเป็นคนปล้น3าถ้าปล้นเกิน3มครั้งต้องไปคุ้มครองบ้านนั้นทันที4บ้านไหนให้ข้าวน้ำเวลาให้ข้าวน้ำแล้วต้องรู้จักกระตันอยู่อย่า ก, กินบัรเลอนขี่รถบุหรงคาสัจ่าโจรห้า ไม่เอาของแถมตั้งใจปล้นก็คือปล้นไม่ใช่คมขืนต่อเจ็ด mm hmm. เวลาปล้นแล้วเนี่ยเอาไปฝังดินซะทราบสมบัติฝังดินปลอดภัยกลยตัวแปดเวลามีคนตามล่ามีคนตามล่าคือราชการ ไม่มีทางสู้ไม่สู้เด็ดขาดมีแต่ต้องถอยร่นแล้วก็หนีไปนี่คือโจรที่เป็นสัจจะโจรที่มีสัจจะโจรขาวแดงก็ไปอย่างนั้นนะายสุดถูกจับได้ถูกจับได้แต่ทีนี้ด้วยการที่ว่าเป็นก๊กที่มีอยู่จำนวนห้าร้อยคน ราชการจะต้องกำจัดทันทีนะชาวบ้านอกขวัญ อ, อ, อกสันขวัญแขวนนะต้องรีบกำจัดภายใน24ชั่วโมงนะถ้าเจอคือวิสามันฆาตกรรมภาษาของตำรวจไทยคือฆ่าคนตายอย่างถูกต้องตามกฎหมายจนขาวแดงก็จึงอาสานะรับอาสาฆ่าเพื่อนด้วยกันทั้งหมดนะจนขาวแดง ราชาการก็ปูนบำเหน็จให้ไม่โดนโทษประหารแล้วก็มีบ้านช่องให้อยู่แล้วก็ทรัพย์สมบัติมีภรรยาให้อยู่แล้วก็เป็นผู้ประหารนักโทษในเรือนจำในที่คุมขังต่อไปมีงานให้ทำท้ายสุดจนขาวแดงก็ เศร้าหมองตอนทำงานก็อยู่ได้ตามกรอบตามกฎท้ายสุดเจอกฎแห่งกรรมก็คือความคิดของตัวเองทำงานฆ่าคนบางทีคนไม่ได้ผิดแม่ลูกอ่อนก็ต้องประหารแม่ลูกก็ตายไปด้วยบางทีไม่ได้มีความผิดก็ต้องตัดคอ มันก็รวมแล้วหลังเกรเสียนภาพปรากฏเป็นนิมิตรมากมายภาษารีบุตรตอนเช้าก็เห็นว่าโจนขาแดงอยู่ในไข่ที่ฝึกได้สอนได้จึงออกบินทบาทรับบาทใช้ภาษาพูดยกจิตจนขาแดงเช้านั้นว่าท่านผู้เจริญที่ทำมาทั้งหมดเนี่ย มันมีใจิตของท่านที่เป็นคนโหดร้ายหรอกท่านทำเพราะว่ามีคนใช้ใท่านทำท่านทำเพราะว่าลึกๆมันเป็นหน้าที่บางอย่างที่ท่านจะตอเกี่ยวข้องกับตัวเองกับครอบครัวจนขาแดงได้ฟังอย่างนั้นราะว่าจิตยกขึ้นมา จากอากุศลที่ตอกย้ำตัวเองเป็นจิตที่กุศลขึ้นมาพลิกวิธีคิดเนจะกระทั่งในพระไตรปิฎกบอกว่าจนเข่าแดงเนี่ยเข้ากระแสของพระโสดาบันไปสู่กระแสของพระโสดาบันอาตรมาอ่านถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยมีความสนใจว่า อันนั้นก็คือสภาวะจิตแบบไหนสนใจทันเดียอ๋อมันคือความคิดเนี่ยเองทนานะของจิตนะไม่ว่าจะเป็นสัจจาโจรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการกระทําก็ตามมันคือสภาวะจิตของคนคนนั้นมากมายเหลือเกินแล้วจิตแบบนี้ไปซ่อนอยู่ในตํารวจไทยเยอะแยะไปหมดเลยในสังคมไทยเยอะแยะไปหมดเลย ที่ว่าดีๆท้ายสุดล้วนในสังคมโลกก็ตามที่ว่าดีๆท้ายสุดนะ่ยหลายคนนะจากวีรบุรุษกลายเป็นอาชญากรเมื่อเทียบแย่ เ, เทียบเทียงแยกแย ะ, นะ่ในระบบความคิดถูกผิดเหตุผลแล้วก็ทำมาหลายคนนะเป็นวีรบุรุษในสังคมแนตะ่ท้ายสุดเนะี่ยขึ้นศาลโลกนะฟ้องร้องกัน บางทีก็ดึงเอาลูกปั้นลงมาอะไรอย่างเช่นประเทศจีนก็ตามหรืยหลายประเทศในยุคถูกยุกย่องแต่ว่าหลังจากนั้นไปนผู้รู้วินโยชนติเตียนเมื่อเอาหลักการเหตุผลมาจับพระนวธีปฏิบัติเนี่ยเราไม่เอาเหตุเอาผลเอาถูกเอาผิดมันมีแต่ความรู้สึกตัวในสภาวธรรมต่างๆแต่ถ้าหากว่าใช้สมมติลมากมายแล้วเกิน มันจะเป็นการคิดแบบเข้าข้างตัวเองเข้าข้างพักพวกเพื่อนฝูงบริวารต่างๆอันนี้เราเข้าใจนะว่าลักษณะของอาการต่างๆที่ว่ามเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เนื้อถูกเนื้อผิดเนื้อเหตุเนื้อผลเมื่อใดก็ตามที่สัญญาความจำได้หมรู้นะทิฏฐิมานะจริต มีมุมมองแง่คิดเมื่อนั้นมันก็จะมีลักษณะของมีบุญมีบาพมีสุขมีทุกข์อาจารย์โตหลวงพ่อโตหลายคนก็รู้จักกันดีท่านอยู่แบบเนื้อถูกเนื้อผิดเนื้อเหตุเนื้อผลครั้งหนึ่งไปรับสังฆทานมา ท่านก็ล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วมันมีช่วงที่น้ำลงตอนนั้นก็เข้าคลองซอยน้ำมันแห้งมันตื้ น, ขนเขินเรือมไปไม่ได้ก็ต้องรอน้ำขึ้นก็นอนรออยู่ในเรือก็มีโจรนนะชาบ้าน ก็มาขโมยตอนท่านเผลอหลับครานี้มันหยิบของไม่ถึงมันเอื้อมือหยิบไม่ถึงก็คืออยู่ข้างเรือนะเอื้อมือหยิบหยิบไม่ถึงอาจารย์โตก็จึงเอาเท้าเขีย่ยจนก็หยิบไปใส่เรือของตัวเอง อาจารย์โตเห็นอาการของโจรว่าหยิบแล้วก็จะรีบหนีไปเลยก็เลยพูดออกไปว่าคนก็ให้ยังไม่รู้จักขอบคุณเขาอีกพลิกทันทีคนก็ให้ยังไม่รู้จักขอบคุณเขาอีกแต่วัน น, นั้นความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีการพลิกการเปลี่ยนมากมายในการ กริยาเนี่ยจากผิดเป็นถูกจากถูกเป็นผิดมุมมองนะแต่ความรู้สึกตัวแท้ๆมันไม่ได้เป็นอะไรมันเป็นความรู้สึกตัวมันก็เลยเกี่ยวข้องทางกายว่ า, าใจนะเมื่อมีบทพิสูจน์จริงๆแล้วเนะี่ยสิ่งที่พิสูจน์ออกมามันก็คือความไม่ทุกข์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ทํา แต่อยู่ในกรอบของมีปัญญาและเป็นปัญญาที่อยู่กับโลกตามสมมติบัญญัติโดยที่ใจเราไม่ต้องทุกข์มันมีอยู่จริงเนื้อถูกเหนื os, ้อผิดเนือเหตุเนื้อผลเพราะฉะนั้นกลไกของสังคมต่างๆกระทรวงทบวงก ร, รมต่างๆไต้โจงกระจ่องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันแต่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขนาดไหนก็ตามถ้าหากขาด ความรู้เนื้อรู้ตัวหน่วยงานกระทรวงตวงกรมต่างๆก็จะมีปัญหาตลอดไปกับการเอาถูกเอาผิดเอาเหี้ยเอาผลเหมือนนักการเมือง เ, อเหมือนนักการเมืองทุกวันนี้นที่เราเห็นว่าก็ทะเลาะ ก, กันก็เกี่ยวกัดีทั้งหมดนั่ น, นะจึงไม่มีคำว่ามิตรแท้กับศัตรูถาวรมันไม่มีมันมีแต่อาการกิริยาที่แสดงออกต่อกัน อันนั้นก็คือหลักการที่คนทั่วๆไป น, นิยมใช้ในสังคมหลักการของการทําอะไรก็ได้ตามใจเราที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะกระบวนการพิาพากษาตุลาการก็ไม่ใช่ว่าจะถูกเสมออนุภากล้าพูดเต็มปากรับผิดชอบคำพูดด้วยไม่ได้หมายถึงว่าตอนนี้มีผู้พิาพากษาแล้วก็จะพูด กระทบจิตกระทบใจเพื่ภาคภาษาไม่ใช่องค์แห่งธรรมก็ถึกไม่ได้หมายกว่าว่าอย่างนั้นมันมีคดีหนึ่งเป็นคดีใหญ่อยู่ตอนนี้ mm hmm. ก็คือมีคนขายน้ำตะเอ่ยชื่อก็อ๋อเป็นภาษาญี่ปุ่นบริษัทใหญ่ถูกฟ้องร้องว่าขายให้กับ น้ำเอายี่ห้อนที่ถือว่าเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของเมืองไทยเสร็จแล้วขายธุรกิจไปให้เสร็จแล้วตัวเองก็ไปทำสินค้าชนิดเดิมแต่ว่าขวดเล็กกว่าขายราคาถูกกว่าบริษัทยักษ์นะที่ซื้อลิขสิทธ ซื้อโรงงานผลิตก็ฟองร้องทันทีเอาทำไมข า, ายให้เราไปทำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนยี่ห้อคนกลางคนนี้ปรากฏว่ารู้จักทั้งสองคนเป็นเพื่อนสนิทกนะันทั้งสองคนรู้สึกว่าไม่สบายใจทุกใจมากกับพฤติกรรมของเพื่อนสองคนที่เอาถูกเอาผิดเอาเหตุเอาผลก็เพื่อนรักทั้งคู่นั่นแหละ อีกรณีหนึ่งคนที่เป็นคนกลางเนี่ยนะก็คือเป็นผู้พิพากษาคาดีนี้โดยตรงเป็นเพื่อนรักทั้งคู่นะก็เอามาไกลเกลี่ยทันทีบอกว่าเออเรื่องแค่นี้เพื่อนเอ้มันเรื่องเงินเรื่องทองเอาความเป็นเพื่อนกันไว้ดีกว่านะเราไม่สบายใจอย่างมาก เกลี่ยพยายามไกลเกลี่ยให้คดีนมันไม่ต้องไปสู่กระบวนการยุติธรรมได้ไหมอีกอันนึ้งก็คือพยอายกาคนเดิมเป็นคดีที่ญาพี่น้องของเวงทำผิดแต่ก็เปลี่ยนคดีพลิกคดีได้จนชนะขึ้นมา ระดับใหญ่แล้วคนะดีนี้เป็นคดีใหญ่แล้วก็ดังด้วยหายเงียบไปเลยปนะรึกคดีเปลี่ยนข้อมูลทันทีอย่างเงีนะ้ยมันก็จึงเป็นกระบวนการที่มีถูกมีผิดเนือเหตุเนือผลเนื้อถูกเนื้อผิดนะนะอาจจะไม่ต้องใช้กระบวนการนะ สอบสวนสืบสวนสาวหาเหตุเมื่อผิดก็ถูกลงโทษเมื่อถูกก็ต้องได้รับการปลอบฝันจดใช้ค่าเสียหายอีกกรณีหนึ่งที่หมู่บ้านนี้มีโจรหมู่บ้านนี้นะก็เลยจับเข้ามาที่วัดนี้ ข้ามาสืบสวนว่าได้เอาไปใช่ไหมขโมยใช่ไหมเอาสังคมมาร่วมกันรับผิดชอบทางวัดก็มีอาตมาเป็นตัวแทนเป็นฝ่ายผู้เสียหายชาวบ้านกเา็เอาผู้ใหญ่บ้านมามารับรู้รับทราบพฤติกรรมของลูกบ้านเขาทำอย่างเนี้ย ทำให้วัดเสียหายแล้วก็ชาวสิงคโปรนะ์ก็เป็นชาวต่างประเทศชาวต่างชาติเข้าไปเล่าให้ฟังนะเอาออกไปนอกประเทศไทยมันก็เสียหายในแง่ของพรสา萨นาวัดวารามเอาลูกก็มาด้วยนะเอาลูกมาด้วยเพราะว่าใครๆก็รักลูก ให้ทุกคนได้พูดถึงความรู้สึกว่ามองอย่างไรในเรื่องราวอย่างนี้ทุกคนมีความเห็นอย่างไรไม่ใช่ว่าถูกว่าผิดนะแต่ว่าทุกคนมีความเห็นอย่างไรพอถามถึงลูกเขาลูกเขาบอกว่าถึงพ่อผมจะเป็นขโมยแต่ผมก็ไม่อยากให้ใครเรียกพ่อผมว่าเป็นขโมย ความรู้สของลูกเขาเจ็บมากพั้นขณาโจรนะยังต้องมีสัจจะของโจรเราเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะถือศีลกินเจต่างๆนะก็ยิ่งต้องมีการตรงประเด็นนะสัจจะความจริงเลยเพราะว่าความจริงนะที่มันอยู่เหนือสูงสุดก็คือความไม่ทุกข์กับอะไรกับอะไรกับอะไร มันมีแต่อาการกิริยาหน้ า, นาที่ที่อยู่ตรงหน้าสิ่งที่ต้องทำแล้วก็รับผิดชอบตัวเองว่าอย่าทุกข์นะทำอะไรไปก็อย่าทุกข์อันนี้คืออาการของสติที่ทำอะไรไปก็ตามจะไม่เสียใจในภายหลังสติจะ ร, รู้ปัจจุบันขณนะอยู่เหนือโลกไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไร อาการต่างๆก็จึงเป็นเพียงแค่เครื่องเรารู้ถูกรู้แล้วก็ผ่านไปเห็นท็รู้แล้วสันเสริญก็รู้แล้วมีราภก็รู้แล้วเสื่อมลาภก็รู้แล้ ว, ม, ลวมียศเสื่อมยศมีสุภมีทุก์รู้แล้วตัวรู้ตัวเนี้ยมันอยู่เหนือาเหตุเห น, น, นือผลทั้งปวงเห็นไหมอะไรสิ่งที่พูดต่อไปนี้นะก็คือท้ายสุดนี้ ก็ขอให้ความประพฤติดีของเราทั้งหลายนั้นแล้วการปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นก็จมเป็นไปนะเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกโดยตัวหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ